ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนพิสุทธิ์สมณีทั้งหลายวันนี้ก็มาฟังเรื่องพนางสา ม, ามาวดีต่อเกิดความจริงท่องเรื่องจริงๆให้ชื่อเรื่องว่าเรื่องของพนางสาม า, มาวดีแต่ว่าเท่าที่ฟังมาแล้วปรากฏยังไม่ถึงพนางสาม า, มามาวดีสักทีหนึ่งสําหรับวันนี้ถึงท่านจะของเรื่องแล้ว ในเรื่องความตามพรมบาลีมีอยู่ว่าท่านบอกว่าในการนั้นมีเศรษฐีนามว่าพัทวัดีเศรษฐีอยู่ในเมืองพัทวะนะครได้เป็นเพื่อนกันกับโคศกเศรษฐีความจริงแล้วสองท่านนี้เป็นเพื่อนกับเพื่อนกันในฐานะที่ไม่เคยเห็นกันเลย ต่างคนต่างได้ข่าวจากข้อค้าว่าที่เมืองโกสัมพีมีเศรษฐีท่านหนึ่งมีนา ม, มโคศกเศรษฐีมีทรัพย์สมบัติเท่าๆกันกับท่านพัทธวัตฐีท่านพัทวดีเศรษฐีในเมืองในเมืองพัทวดีนครแล้วสองท่านต่างส่งต่างเครื่องบรรดาการไปให้ซึ่งกันและกัน แสดงที่ความเป็นมิตรซึ่งกันและกันเขาทำกันอย่างนี้มาตลอดปีถึงปีก็ส่งของขวัญสมัยนี้ก็กของฝันสมัยนลเลยกเครื่องม น, นาการส่งไปให้แต่ว่าต่อมาปีหนึ่งภัยใหญ่เกิดขึ้นกับท่านพัทธวดีเศรีฐีคือในพัทธวดีนครนั้นเกิดอหิวาตกรโรคขึ้น ไอวาเตอโรคนี่มีความร้ายแรงมากสัตว์เล็กๆตายก่อนตามระดับมามาแรงมุมบ้างไปแรงสาบบ้างเลยมาถึงเป็ดไก่วัวควายที่เขาถึงคนเป็นโรคที่ระบาด ท, ที่มีความร้ายแรงแต่ว่าในสมัยนั้นเขานิยมกันอยู่อย่างหนึ่งคืออไอวาเตอโรคนี้ท่านไม่ให้ชื่อว่าไิวาเตอรโรคสำหรับชาวบ้านนะ เขาเรียกโรคหาลงเมืองแลโรคหากิงคนแล้วก็มีความนิยมว่าถ้าบุคคลใดจะหนีโรคประเภทนี้คือนีหาจะออกทางหน้าบ้านไม่ได้พวกหาจะเห็นตัวต้องพังป๋าเรือนแล้วก็ออกไปจากนั้นท่านพัะตวดีเศรษฐียังได้นําพัญญาพร้อมๆในบุตรสาวคนหนึ่งบุตรสาวคนนี้มีนามว่าสามมา ทางฟ้าเลือน <c oughs> แล้วก็นําเสบียงหารพอสมควรเท่าที่นําไปได้หนีโรคร้ายออกทางหลังบ้านเดินเลาะลัดไปในปา่าหวังจะไปเมืองโกสัมพีด้วยตั้งใจว่าจะไปหาสหายของเราที่มีนามเมื่อโคศกเศรษฐีแต่ความจริงทั้งสองท่านนี้ไม่เคยเห็นหน้ากันมาเลยได้เดิส่งของฝันไปหากันเพื่อเพื่อนาการ แต่ว่าในระหว่างที่เดินไปในระหว่างทางปรากฏว่ายังเลาะลัดตัดป่าไปไม่พ้นป่าทึบเวลานั้นป่ามากเ้าไกลามากทางก็ไม่คุ้นจักปรากฏอาหารหมดะระหว่างตามทางทั้งสามท่านในโตงตงอดอาหารประมาณับสองสามวันอยู่แต่ก็ยังมีแรงอยู่บ้างตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัท อยากเกรี้ยักนิดหนึ่งว่าการเกิดของมนุษย์เนี่ยมันมีความเกิดในดเบื้องต้ น, ตนความแก่มันก็ตามมานี้ไม่พ้นอาการป่วยไข้ามาสมบายก็ตามมาอีกแล้วความตายมาถึงเป็นครั้งสุดท้ายแต่ว่ายังไม่ตายสิเศรฐีย่อมขัดไปตามธรรมดาที่โบราณท่านบอกว่าเศรษฐีย่อมมีการขัดไปนี่เป็นน้ำว่าคนขนาดมหาเศรษฐีต้องอดข้าวในป่า เมื่อเดินทะลุ ป, ป่ามาแล้วก็มาถามชาวเมืองโกสัมพีว่าบ้านท่านโคศกเศรษฐีอยู่ที่ไหนชาวบ้านเขาบอกว่าอยู่ตรงนั้นครับเวลานี้ท่านโคศกเศรษฐีหลังจากรับตําแหน่งเศรษฐีแล้วเมืราชาส่งตั้งท่านก็ตั้งโรงทานขึ้นหนึ่งแห่งให้ในายมิตรเกุีดีเป็นคนจัดการโรงทานมิตรขาพอดีนะ ทำบ้าขาวดีนี่ก็รวยมากเป็นคนรวยใกล้ๆนอนุเสถีแล้วท่านกสอสงเสริฐสลทรับวันละหนึ่งพันกหาบนะเลี้ยงคนกำพร้าเดินทางและคนยากจนขินใจทั้งกลางวันและกลางคืนหมายความให้อาหารตามเวลาถ้าแบบว่าเอิญคนที่มาไม่ทันอดอยาจริงๆอย่าตายเขาก็ให้แม้แต่เอกเวลา เมื่อบรรดาท่านพัตวดีเศรษฐีฟังข่าวก็บอกกับพัญญาว่าเราอย่าเพิ่งกไปหาเพื่อนในเวลานี้คนนี้อดโซพร้อมโซแบบนี้มีความลำบากแม้แต่บิดามันดาก็ยังไม่ต้องการจะพบทางที่ดีเราควรจะพักอยู่ที่สลาหลังนี้นอกหมืองคือไม่ไกลบ้านนะัก รับทานอาหารแล้วสองสาวันปูมีพอมีแรงดียิงเข้าไปเยี่ยมเพื่อนเป็นว่าพัญญากับลูกรักลูกสาวก็ตกลงเขาก็พักอยู่ที่นั่นพอเวลาเช้าเขาก็ประกาศว่าเวลานึงนี้ถึงเวลาแจกอาหารแล้วเจค า, าคนกำพรา้าคนเดินทางคนยากจนตราถนายจะรับอาหารจากโรงทานท่านเศรษฐีให้ไปรับได้ ท่านมาหาท่านเศรษฐีเนยส่งลูกสาวกุศล ม, มาไปก็ไปถึงแล้วมิตรกุดีมิตรกุฎุมีก็ถามธอว่าหนูต้องการกี่ส่วนจะ๊ะแม่สามมาก็บอกว่าต้องการสามส่วนเจ้าค่ะเขาก็จัดให้สามส่วนพ <c oughs> อามาถึงปรากฏว่ามากินอาหารจนเสร็จมันไดา ก, กับลูกสาวคิดว่าสงสารพ่อให้พ่อกินมากมาก เมื่อพ่อกินเข้าไปแล้วลมกำเริบไม่สามารถจะทรงชีวิตยูนได้คือไฟธาตุไม่ย่อยเธอท่านก็ตายแม่กับลูกก็มีความโศกมากพนา ม, มากก็ไม่ได้เวลามันน้อยวันรุ่งขึ้นสามมาไปรับทานจากท่านมิตรกาหาบดีท่านมิตรกามบดีก็ถามว่าหนูต้องการกี่ส่วนจะ สามาสามาที่ก็ตอบว่าต้องการสองส่วนเจ้าค่าท่านไม่แตะก็ให้มาสองส่วนเมื่อถึงวันนั้นหลังจากบริโภคอาหารแล้ววันที่สองมันดายก็ตายอีกกรนี้เธอโศกหนักขาดทั้งพ่อขาดท้องแม่ไกลบ้านไรที่พึ่งเมื่อถึงเวล า, าหายก็ตมอาหารไปนำถาดไปขออาหาร ท่านมิตร่าข้าดีก็ถามว่าหนูต้องการกี่ส่วนจ้ะสามมากรกว่าวันนี้ต้องการส่วนเดียวเจ้าค่ะเพียงเท่านี้ท่านมิตร่าข้าบดีก็ดา่าว่าเองจงชิบหายแล้วเถอด <c oughs> เองเพิ่งรู้จักประมาณท่องเองวันนี้เท่านั้นหรือฉันจําได้ว่าวันก่อนเธอต้องเอาต้องการสามส่วน เมื่อวานนี้ต้องการสองส่วนแต่วันนี้ต้องการส่วนเดียวซึ่งพอดีกับเธอสามมาได้ฟังกรรร้องไห้ไม่เคยถูกใครเขาว่าแบบนั้นจึงเลยกราบเรียนว่าท่านเจ้าค่ะท่านเข้าใจพลาดตามความเป็นจริงความจริงวันก่อนฉันมีสามคนเมื่อวานนี้มีสองคนแต่วันนี้มีคนเดียวเจ้าค่ะจะรับตามส่วนบุคคลที่มีอยู่ ท่านมิตกรการมดีก็แปลกใจถามว่าเป็นยังไงเธอก็บอกว่าวันก่อนมีทั้งพ่อทั้งแม่และเธอรับไปสามส่วนคนละส่วนวันนั้นพ่อตายวันที่สองเมื่อวานนี้เหลือสองคนกับเธอกับแม่แต่ว่าวันนี้เมื่อวานนี้ก็แม่ตายอีกวันนี้เหลือคนเดียวจะรับส่วนเดียวเจ้าค่ะท่านมิตกรการบดีก็ถามความเป็นมาต่รเรื่องราวไปยังไงเธอก็บอกว่าท่านเธอเป็นลกูก อ่เป็นลูกท่านมาหาเศรษฐีพัฒวดีนะพัฒวดีเศรษฐีในเมืองพัฒวนครซึ่งเป็นเพื่อนกับท่านโคศกเศรษฐีแต่ไม่รู้จักาน้ากันรายโกว่าท่านมิตรใจ ร, รมดีพอฟังก็สงสารหนักมีความรักอย่างยิ่งยจีงบอกว่าลูกหญิงถ้าอย่างนั้นแล้วก็เป็นลูกสาวคนโตเช่นกันแล้วกันนะ ตอนนี้ไปไม่ต้องเดินมาขออาหารอีกอยู่บ้านฉันเลยอยู่ในฐานะบุตรสาวคนโตเมื่อเธอรับความประณีอย่างนี้แล้วขึ้นไปอยู่บนบ้านมีความสุขช่วยเหลือต่างกำลังตามความเป็นจริงเธอมีปัญญามากวันหนึ่งตอนกลางคืนเธอนั่งคุยกับบิดาจึงปรึกษาว่าคุณพ่อเจ้าคะ่ะ การให้ทานเนี่ยเสียงเอ็ดองิงคนนอนแย่งคนนี้แย่งคขนนนันก่อนนี้ฉั้นก่อนนี้ชั้นมากคนนี้ฉั้นน้อยถ้าคนพ่อจะทําไม่ให้มีเสียงได้ไหมท่านมิตกรกาบดีบอกทําไม่ได้หรอกลูกพ่อทํามานานแล้วจัดการไม่เสร็จสักทีมันก็มีเสียงแบบนี้แหละแม่สามายังบอกว่าถ้าหากว่าฉันจะให้ความคิดคนพ่อจะลองพิจารณาดูไหมว่าจะใช้ได้หรือไม่ได้ เธอฉลาด <c oughs> ท่านมิตรก็ถามว่าลูกมีความคิดเห็นเป็นยังไงเธอก็หาหรือว่าสมมุติว่าถ้าเราจะทําทางเดินเฉพาะเอาไม้กั้นเป็นรู้ว่าเข้าทางหนึ่งออกทางหนึ่งแต่ว่ารู้ว่านั้นเข้าได้แค่คนเดียวเดินซ้อนสองคนไม่ได้ทางนอกจากนั้นปิดให้หมดจะมาได้เฉพาะเข้าทางรู้วเท่านั้น ถ้าว่ารับก็จะรับทีละคนจะไม่เอ็ดยงิงท่านมิตรการพอดีก็ทําตามนั้นเป็นเร่อเสียงแย่งกันเสียงแข่งกันเสียงแต่โกนขอฉันก่อนจะขอฉันก่อนแบบนี้ก็หมดไปเป็นว่าท่านโคโศกเสถียีความจริงรงทานอยู่ใกล้ทุกวันท่านได้เสียงดีนเสียงคนรับทานขอฉันบ้างขอฉันบ้างขอฉันเท่านั้นส่วนเทนีส่วนเสียงกล้องไปถึงบ้านท่านท่านก็ขอใจปลื้มใจ ว่าทานที่เราให้มีผลแต่สองสมวันนี้ไม่ได้ยินเสียงคนเลยจึงเรียกท่านมิตราคารวดีเข้าไปหาถามว่าเธอยังให้ทานตามที่ฉันสั่งอยู่หรือท่านมิตราคารวดีว่าาก็บอกว่าให้ขอรับท่านถามว่าทําไมไม่ได้ยินเสียงคนเลยท่านมิตราการวดีก็บอกว่า เมื่อก่อนนี้มีเสียงแก้บางอาจาวานานิสดัดแปลงไม่มีเสียงแล้วครับครัพตามปกติท่านถามว่าเมื่อก่อนนี้ทําไมไม่ดัดแปลงให้มไม่มีเสียงท่านก็นเลยวิตราอมบดีก็บอกว่าเมื่อก่อนนึกไม่ออกครับไม่รู้จะทํายังไงเวลานี้นึกได้ท่านก็ถามว่าเธอนึกเองและใครช่วยนึกท่านมิตรตาอามบดีก็บอกว่าลูกสาวคนโตช่วยคิดครับ ท่านโคศกเศรษฐีก็ถามว่าลูกสาวของเจ้าลูกชายของเจ้าเรารู้จักหมดแต่ลูกสาวของเจ้าคนที่เราไม่รู้จักมีอยู่หรือท่านมิตรกรารบดีก็บอกว่ามีคือเป็นลูกท่านพัทวดีเศรษฐีในเมืองพัทวนครจะมาเยี่ยมท่านเอินท่านสองท่านตายมาพ่อตายแม่ตายเธอก็อยู่คนเดียวได้รับไปเลี้ยงเป็นบทบุญ ธ, ธรรม ท่าโคโสเสถีก็บอกว่าเอาถ้านัง่งอย่างนั้นลูกเพื่อนคนฉันก็ต้องเป็นลูกฉันดิให้นาํามาด้วยความท่านมิตรกามดีก็นําไปท่านก็รับเป็นลูกไม่ฐานะลูกสาวคนใหญ่เหมือนกันได้ความจริงท่านมิตรอท่านโคโสเสถีนี่ท่านมีลูกหรือเปล่าไม่มีใครบอกตมรมมาลีไม่บอกเอถือว่ารับว่าเป็นลูกสาวคนโตเผื่อว่ามันจะมีมาอีก ในตอนนั้นเธอก็มีความสุขการให้ทานของพ่อเธอก็ปฏิบัติท่านโคศกเศรษฐีเหมือนกับบิดาบัปฏิบัติบิดาของตนย่อมเป็นที่รักของคนทั่วไปแม้แต่คนใช้ในบ้านก็รักเธอเธอเป็นคนใจดีมากมีความโ อ, อ้อวดอารีใน <c oughs> โคศกเศรษฐีจะให้หญิงห้าร้อยคนเป็นบริวารสําหรับธนุบรมหลงเธอ ปรากฏว่าในปีหนึ่งในเมืองนั้นก็มีงานนักขัตฤกษ์เขามีงานนคกขัตฤกกันบรรดาลูกสาวเศรษฐีและผู้ใหญ่เนี่ยส่วนมากจะไม่มีโอกาสได้ไปออกไปออกนอกบ้านทลายนักต้องเก็บตัวแต่ว่าเมื่อมีงานนคกขัตฤกคืองานประจำปีต่างคนต่างก็มีโอกาสออกนอกบ้านแล้วก็พาการไปอาบน้ําโดยผ่านพลันหลวงก็สนามหลวง วันนั้นสา ม, มาขอโทษนั้นเดิมที่เดียวชื่อว่าสา ม, มานะพอคิดทํารู้วเสร็จเรียบร้อยแล้วผลเกิดขึ้นจึงมีนามต่อท้ายว่าสา ม, มาวาดีคําว่าวดีนี่แปลว่ารู้ถ้าจะแปลตามศัพิ์กฤหัตนางสา ม, มาผู้ทํารูว้วและนางสาวสา ม, มาผู้ทํารูว้วเธอเป็นคนรูปสวยมีจริยาดีมาก แต่เรื่องราวในตอนนี้เขาบอกไว้ก่อนว่น <c oughs> าพระเจ้าเทียนบรมกษัตริย์เมื่บาทเท้าเธอมาครองราชสมบัติไม่ได้มีพระบรมราชินีไว้ก่อนไม่มีก่อนพ่อมาจากป่าก็ยังเป็นชายหนุ่มโสดวันนั้นเมื่อวันลาข้งานในคาตาเลกสามาวดีเธอได้พาหญิงห้าร้อยเพื่อเป็นบริวารลาวิดามันดาไปอาบน้ำนํำพิธานน้ํำ เดินไปก็ผ่านสนามหลวงเวลานั้นปรากฏว่าพระเจ้าทีนบรมกษัตริย์เริ่มบาทเท้าเธอทรงประทับอยู่ยืนอยู่ที่หน้าตาา่างที่เรียกพระแกลหรือพระบัชชร์หน้าต่างเห็น <c oughs> สาวงามทั้งห้าร้อยคนเดินไปแต่ว่าน้าสาวงามนี่งามจรงิงจริงมีกิริยามัญญาตน่ารักไนส่วนสัตว์เป็นที่น่ารักพึงใจมาก ผิวพรรณก็สยเพืนที่ต้องตาต้องใจยิงถามราชบุรุษที่อยู่กใกล้ๆ <c oughs> ว่านี่เธอเธอทราบไหมว่าหญิงกลุ่มใหญ่ประมาณห้าร้อยคนเป็นนางฟ้อนของใครแต่ความจริงในสมัยนั้นเศรษฐีไม่มีคนฟ้อนคนรำซึ่งเป็นคนรับใช้ได้เป็นรับจ้างประจำมากๆ ม, ม, มีสัตังค์ ท่านราชบัลุตที่นั่งใกล้ก็บอกว่าไม่ใช่คนฟังของใครพระเจ้าค่ะเป็นลูกสาวของท่านโคศกเศรษฐีพระเจ้าเทนไม่ได้ฟังอย่างนั้นก็กลับปลื้มใจใหญ่ความรักหนักแน่งอีกว่าแต่คนของหญิงคนนี้ไม่ต่ําต้อยจึงส่งราชสารให้ราชบัุตนําไป<ม>บอกว่าขอท่านโคศกเศรษฐีจงส่งลูกสาวมาให้ฉันนี่ อย่างนี้เขารียกเขาเจ้าชีวิตจริงๆเนะี่ย <c oughs> อยากได้ก็ต้องการใช้จะเอาทุกอย่างในตอนนั้นท่านโคศ่งเสถียีก็คิดว่าลูกของเราเป็นคนดีถ้าสามานี่เราก็ไม่ได้คลอดมาเองปัญญาไม่ได้คลอดเป็นบุตรของเพื่อนเธอจะพอใจหรือไม่พอใจก็ไม่ทราบถ้าเธอไม่พอใจเป็นการขัดใจกัน <c oughs> ตามคติโบราณว่าปลูกเรือนต้องตามใจผู้อยู่สร้างโอ้ต้องตามใจผู้นอนถ้าจะให้ไปอันตรายอาจจะมีกับลูกก็ได้เกรงว่าจะทําไม่ถูกใจพระราชาอาจจะสั่งเคียนสั่งตีสั่งประหารชีวิตก็ได้ทําได้ตอนนั้นพระราชามีอํานาจมากเพื่อเจ้าชีวิตก็บอกว่ายอมให้ไม่ได้พระเจ้าก็เกรงว่าอันตรายจะมีสัลูกสาว ราชบรุษกลับไปพระเจ้าเทิงโกรธเข้าว่าให้ลูกสาวก็โกรธ <c oughs> สั่งให้ราชบรุษจับคนสองสองมามัดไว้นอกบ้านสั่งให้ใส่กุญแจบ้านตีกลาห้ามเข้าบ้านต่อเมื่อสามาวดีอาบน้ําเสร็จดูหมอก็ศพเสร็จกลับบ้านเข้าไม่ได้เรงถามมีดามันดาว่าเป็นยังไงพระเจ้าค่ะ พิดามรรดาเขบอกว่าพระราชาส่งสารมาขอลูกพ่อก็ไม่กล้าให้ไม่ทราบว่ารู้จะเต็มใจหรือไม่เต็มใจถ้าไม่เต็มใจเป็นการลำบากใจพ่อให้ไม่ได้ถ้าย้พ่อผืนใจลูกก็อยอมตายดีกว่าท่านมีความรักสามเมาวดีมากท่านสามเมาวดีก็บอกว่าเอางี้สิคุณพ่ออย่างนั้นก็ไม่ถูกเราอยู่ภายใต้อำนาจของพระราชา ทรงมีอำนาจหรือคนจะสั่งประหารชีวิตใคารเมื่อไรก็ได้ทางที่ดีคนพ่อคุณกลับทูลไปตามนี้ถ้าพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาที่คุณจะรับบุตรสาวขุนข้าพเจ้าไปเป็นมาเหสีแต่ว่าถ้ารับทั้งบุตรสาวและหญิงบริวารห้าร้อยคนด้วยก็เจ้าะถวายท่นโคตรศกฟังอย่างนั้นก็ดีใจว่าถ้าลูกเต็มใจพ่อพร้อมกระทา ดังนั้นท่านโกศเศรษฐี จ, จึงได้มอบจึงได้มอบราชสากจะไดงมำเรื่องราวนี้ไปกราบทูลแก่พระเจ้าพระเจ้าอุททนพระเจ้าอุเทนทรงทราบจึงได้มาให้คนมารับนามด้วยกบวนแห่ดีสมเกียรติแล้วก็แต่งตั้งวันอัคระมะเมศสีคําว่าอัครเมศสีแปลว่ามเมศสีพูนเลิศ ดันั้นว่าท่านสามาวดีเป็นพญญาคนแรกของพระเจ้าเทีนบรมกษัตริย์ซึ่งทรงแต่งตั้งให้เรื่องของท่านสามาในตอนต้นสำหรับประวัติของท่านก็จบเพียงเท่านี้นะไหวความเป็นมาของท่านสามาก็จบเพียงเท่านี้แต่เรื่อง ย, ยังไม่จบเมื่อจบเรื่องแล้วอาจะมาก็ยังไม่จบเพราะเวลามันเหลืออห้านาที ทาวนี้ก็มาคุยกันระหว่างพี่พี่น้องน้องคือบรรดาเพื่อนพนิสุทธิ์สมณีคนดีญาติโยมพุะทบริษัทกนดี <c oughs> ทุกคนกันนี้ต่างถือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันเพราะเราเป็นสาสตขยบทุตัจโนรต์คือเป็นลูกของพระพุทธเจ้าด้วยกันทุกคนมีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์ จงนั้นขอทุกคนจงอยู่ในโอวาทิองค์สมเด็จพระบรมรลกขนาฏแนะนำที่พระพุทธเจ้าสัตัว่าสัพพปาปราะจากนังจงละความชั่วทุกอย่างสองกุตสรสูประสมทธจงทำแต่ความดีสามพรจิตะตะปรโยวปันนังจงทำจิตใจองใสใจกจิเลส เอตังพุทธานาสาสนางที่พระพุทธเจ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์ตรัตอย่างนี้เหมือนกันหมดสําหรับเรื่องราวของบรรดาสามาวดีท่านบิดาเพิ่งเป็นเศรษฐีพัตวะดีนัะเศรษฐีก็ดีมารดาคนดีท่านสามาวดีกนดีท่านพระเจ้าเทนบรมกษัตริย์คนดีท่านโคศกเศรษฐีก็ดีทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่เราฟังกันในสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่ ไม่ว่าสมเด็จพระบรมครูทรงตรัสว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาหมดคือในที่สุดก็สลายตัวหมดที่บอกว่าให้ใช้อากิาจัญญาเจตนาฌานเป็นปกติคือมีความรู้สึกตามความปจริงว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือ <c oughs> คนตายหมดสัตว์ตายหมดวัตถุธาตุาพังไม้ว่าคนกกนดีใส่โกนดีบ้านเรือนท่านหลายแล้วนันก็ดีพังหมดแล้วเปอนัตตาไป ถ้าเรายึดถือว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราทรัพย์ ส, บสมบัติที่มีอยู่เป็นเราเป็นของเราคิดว่าจะอยู่ตลอดการตลอดสมัยใจเราก็เป็นทุกข์เพราะไม่ช้าไม่นานมันกเราก็จากกันร่างกายก็พังทรัพย์ ส, บสมบัติทั้งหลายก็สลายตัวเราก็ต้องไปที่อื่นเออถ้ามีความดีอยู่เราไปโสดสุคติถ้ามีความชั่วเราไปโสดทุกติแต่ว่าดินแดนไหนที่เราคนไป เกิดเป็นมนุษย์อีกมันก็มีแต่ความทุกข์ความสุขจริงไม่มีถ้าจะเกิดเป็นเทวลาฤาด า, ดาราฤพรมก็อยู่ชั่วคราวสุขชั่วคราวกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่จุดหมายปลายทางที่ไปควรจะไปนิพพานการไปนิพพานทำยังไงอันดับแรกเกาะชัยรู้ไวก่อนเข้ารู้ให้ได้ก่อนจะถึงและไม่ถึงก็ถามทีปลายทาง เมื่อเข้ารู้ได้สักวันหนึ่งก็ขึ้นบ้านได้รู้ที่ระยะกะที่ก็คือหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายตัวอย่างองค์สมเด็จพระจอมไตรพิอักษ์ิระมนุษย์ก็ส่งนี้ผ่านไม่กันคนในท้องเรื่องที่เราฟังทั้งหมดนี้ก็ตายไปหมดแล้วคิดว่าเราไม่ช้าก็ตาย ก่อนจะตายเราจะป้องกันอบายภูมิคือไม่ยอมเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตและนสุรกายเป็นสติฐานอีกนั่นคือเราจะยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระ อ, ะอริยสงฆ์ด้วยปัญญาไม่สงสัยแล้วตั้งใจปฏิบัติกรรมตามคำแนะนำของท่านคือรักษาสินห้าให้บริสุทธิ์สินห้าหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่ประพฤติผิดในการม ไม่พูดโมเสาวาดไม่พูดวาจาหยาบไม่พูดส่อเสียดยุยงเขาแตกราวกันหรือว่าไม่ดินทาเขาแล้วก็ไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลวาจาที่ไรประโยชน์และก็ไม่ดื่มสุรามีไรกำลังใจไว้ตั้งไว้จุดเดียวขึ้นเชื่อว่ามีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่ามนุษย์โลกเป็นทุกข์เราไม่ต้องการอีก เท hey, วโลกและพเมโลกเป็นสุทั่วกราวหมดบุนวาสนาบา ร, รมีก็ต้องมาใหม่เราไม่ต้องการจุดที่เราต้องการนั้นขินิพานธ์ <c oughs> หลังจากนั้นก็ทังกำลังใจเขาเมฆคลายจากโละ ค, ความโลภโดยการให้ทานคลายจากโทสะ ค, ความโรกรธด้วยการทรงพรมิหาสีคลายจากโมหะความหลงด้วยปัญญายรับรองความเป็นจริงว่ า, ามนุษย์นี้เกิดแล้วก็ต้องแก่แล้วก็ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตาย ความหมายในความเป็นมนุษย์ไม่ได้มีความสุขจริงอาลัมบันดาท่านพุทธบริษัทชายจริงและบรรดาพิสุทสมเลนที่รักทั้งหลายสัญญาณบอกเวลาหมดแล้วขอลาก่อนอความสุขสวัสดิพิพัฒนามงคลสมบูรณ์บุญผลจงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี